ปัจจุบันเนี้เราจะเห็นพระสาวกอยู่รูปหนึ่งเวลาเราไปตามร้านสังฆทานเนี่ยบ้าเราเรียกพุทธ ร, รูปนะแต่ไม่ใช่พุทธ ร, รูปแต่เป็นรูปพระนั่นแหละแต่พระเกิดใหม่เป็นดาวรุ่งกำลังพุ่งมาแรงนเนี่ยในบรรดา พวกนักเลงเล่นพระพระนั้นจะมีรูปแบบนี้รูปลวงบาทแล้วก็ตามองเนะี่มือหนึ่งล้วงบาทแต่ตามองตาหนึ่งมองไปบนฟ้านะเขาเรียกว่าพระปางจกบาทจบเป็นภาษาบ้านเราภาษาเหนือภาษาอะไรเนะี่ย พระปางจกบาทดีนี่ตำรานขายพระนี่จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะสูสีกันกับพระพิกเนตพระพิกเนตก็เยอะพระพิกเนตเนี่สัญลักษณ์ก็ฮินดูนะคนไทยนี่ไม่รู้พระอะไรแบบไหนเป็นมายัางไงขอเป็นศิลปะขอมีความเชือ่อเอาละ เอาได้หมดพระรูปนี้เขาเรียกว่าพระอุปคุดเดี๋ยวเล่าเกล็ดความรู้เกี่ยวกับพระอุปคุดให้ฟังเพื่อจะได้ไม่หลงมงมงายเงเหนือพิ่งเหนือนี่ยังมีหรือสําเพว่าวันพระเขาเรียกวันเพ็ญวันเพ็ญเดือนไหนที่มันตรงตรงกับวันพุธเนี่ย คนจะเตรียมใส่บาตรตอนเช้าเขาเรียกว่าวันเป่งพุธวันเปงพุธป่ะป่านะเลี้ยงกันใส่บาตรคือในประวัติมันจะมีช่วงหนึ่งว่าพระอุปคุตเน่านแปลงกายเป็นเนรมาวินทบาทนั้นเขาจะเลือกใส่บาตรเฉพาะเป็นเนรคนไหนใส่ ถ้าถูกพระอุปคุตเราจะสามารถอธิษฐานอะไรได้ก็ได้นั้นวันเพ็ญวันพุทธเนี่ยคนจะเตรียมใส่บาตรเต็มแต่ว่าเลือกใส่นะเอาแตเนนนะและกระังหากผู้อุปคุตนี่มีประวัติกำเนิดประมันพศ 118นะัในสมัยของพระเจ้าอโศกมหาราชนะเมีการสังคายนาสังคายนาพระ泰พดกแล้วการมีการสร้างเจดีย์แป0สี่พองค์เยอะมากในประเทศอินเดียก็ต้องหาผู้เชี่ยวชาญ คือภิกษุที่มีฤทธิ์มีอิทธิฤทธิ์มีปฏิหารนะมาคอยดูแลกากับงานปนะ้องกันมารมารบ ก, กวนคือพุทธศาสนามันก็เพี้ยนไปทันทีนะ่ะตั้งแต่เริ่มต้นอย่างนี้ก็เพียนนเ้ยนทันทีอ่ะคือเราพยายามที่จะวาดมโนภาพไปว่ามารคือสัตว์ ร, ร้ายชนิดหนึ่งนะคือปีศาจชนิดหนึ่งที่เข้ามา แต่ว่ามานตัวที่มันอารัธนาพระพุทธเจ้าให้ตายสมัยนูน้นมันยังมีชีวิตอยู่นี่เขาเก็บเค้าโครงเรื่องจากนี่ไปนั่นก็ต้องหาพระที่มาคอยปราบมานคือไม่นึกเนยะไม่คิดว่ามานคืออารมณ์มานคือความปรุงแต่งมาคือความพุ่งสัน่น มานคือจิตที่คิดไม่ดีเนี่ยอกุศลแลจิตที่คิดขึ้นมาต่างๆนานานี่เป็นมารแต่เรามองว่ามันเป็นตัวเป็นตนเดี๋ยวนี้จัดงานที่ไหนก็ตามนะจะมีหอพระอปุปคุดนี่มนต์อัญเชิญลูกโอปคุดมาตั้งเพื่อ ด, ดูแล ง, งานคือมันไม่เข้าใจมันก็เลยเฟอฟุ้งไปเรื่อยนะ โอ ป, ปุอขุธนะิเป็นลูกพ่อค้าเขวียนนะเป็นลูกศิษย์ของพระองคหนึ่งบรรุทำโดยการจับฉลากซึ่งประหลาดมากประวัติเนี่ยเวลาตามไปตามไปแล้วเนี่ยกลัวฟุ้งซ่านว่าจะพูดถึงเรื่องชั่แหละพระอุปคุธในฟังกลัวฟุ้งซ่านเอาพูดเรื่องนี้ดีกว่านะเปลี่ยนเรื่องใหม่ เดนี้เดี๋ยวอีกหน่อยโรงเรียนก็จะมีนะมีพระอุปบกุธมีพระมหาขจายนะจะเริ่มมามาจอแลคือพระอ้วนอ้วนมีพระสิวลีเนี่ยเป็นพวกที่นักเลงเล่นพระเขาเล่นอุปโลกเรื่องขึ้นมา